ท่านไปพูดกับผ้าที่ไหนบ้างอ่ะท่ารู้ว่าผ้าเหล่านั้นอยู่ที่ไหนท่านตามไปแก้ท่านนะช่วงที่เรียนที่มูลนิธิเนี่ยไหนๆท่านไปเจอเพื่อนๆท่านต้องไ่บอกกับเพื่อนนะผมไม่เข้าใจที่นั่นแล้วผมมาเรียนมูลนิธิเนี่ยแล้วถ้าท่านไปรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนต้องเขียนจดหมายไปบอกซะไอ้ที่ผมพูดพูดไว้ท่านอย่าเอาเป็นประมาณนะผมพูดตอนนั้นนะผมสติฟั่นเฟือนไปหรือไม่ตรงไม่ตรงต้องตามพระบาหลีและและอัจฉริยะหรอกผมพูดไปท่านอย่าอย่าไปใส่ใจเลยนึกว่าหมูหมาเอากาไก่มันเห่ามันร้องแล้วกันน่ต้้อองงาาไปยี โอ้ยเป็นสีว่างไงไม่รู้เลยครับก็ไ่ได้ยินมาครับถ้าท่านคิดนะอ้าวอ้าวอ้าวนั่นไอ้ท่านคิดอย่างนี้อ้าวเกิดเราอยู่ตรงนี้ท่านมาตรงนู่นมันรวยสิบสองศอกเราก็ไม่ต้องบอกสิเอเห็นผ้าผ่านมาอ้าวเฮ้ยไม่ใช่ผ้าเนี่ยหมูหรือหมานั่นก็ไม่ต้องบอกสิอย่างนี้อ่มาหาอเนี่ยเพราะฉะนั้นควรเรียนเป็นมหากันไว้ไปหลอกคนได้ไงไๆถ้าเป็นคนเชื่อเพเป็นมหาลูกเลย เรายังไม่รู้นี่เนาะ ว, วันสองวันสไม่ไม่เอเอ เ, อเอขอาเามหานี่มันมันรู้สึกมีอิทธิพลต่อคนที่ไม่ใช่พระที่ไม่ใช่มาหาหรื อ, อคนที่ไม่<อ>คนที่รู้จักความเป็นมาห า, <อ>าแต่มาหากับมาหานี่มันไม่ใค่ใส่ใจ <laughs> อำเภออะไรจะคุณอะไรอย่างนี้นครับถ้าเขาเข้าไปรวมกันเขาพังงานกันชครับอ๋อเดินวันนี้ได้รับพัยดยศชั้นพิเศษ เขยฉันมีอ น, นุนเจ้าคุณเวย้ยอะไรอย่างนี้เจ้าสานักเรียนได้เจ้าคุณเพราะลูกติดสอบได้ป .9 สามองค์ขึ้นไปได้รับโอ้โหรายึดใช่ครับแต่พอเวลาพวกนี้ครับพวกจ้หน้าตำบลเจ้าหน้านํ า, าอำเภอที่ไม่ได้เป็นบริษัทนนี่ครับเข้าไปเวลาพระมาหาคลารับพัดกันรับพัดเออเออเอเ อ, เ อ, เอป .6 ก็ดีป .9 ก็ดีป .3 เมก็ดีพวกพระมหานี่เขาจะคุ ย, ยอะไรกันแต่เรื่องบาร้วญเลยครับ ตรงนี้วิ น, ยนัยไมาออกมาตรงนี้ปริวาสเลยโอ้โหผมกําลังทนันหนาตเลยประเดี๋ยวออกมาตรงนี้น้ํามันะออกมาตรงนี้เรื่องสีมาโอ้โยากตรงนี้สีมานี้โอ้โหสับสนพว ก, จกเจ้าอะไรพระครูพระเคร์อะไรชั้นผู้ทรงพิเศจพวกนี้นางฟังแล้วสิฉช่ครับแต่นั้นน่ะ ล, ะละาศีราสฎรหายหมดเลยเน้นี่เป่งปังเล็กอากามเันปูเลยครับพวกเนเนี่ยคุยกันแต่เรื่องมาเลยไอ้นี่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยครับตอนนั้นเข้าไปนะครับหมดาราศีราษฎรค่อยหลงตากระจกกระจอ ก, ก แต่พอกลับมาวัดไอ้นู้นมึงไม่ท้องยังนี่หน่อโน่นไว้โน่นนี่ครับขู่เลยใช้พัดขู่ครับใช้พัดขู่วันยิงมันหมดราสีกันเลยครับตรงนี้ตรงนี้นอกเรื่องนอกราวอ้าวที่ใครที่มันเออครับอันที่ใครที่มันแต่ในขนาดเดียวกันที่เขารับพัดเอกพคงมารูแต่ถ้าพวกมหาเข้าไปมันยืดเลยนะครับมหายังยืดได้เนี่ยบางทีไปเป็นพิธีกรไปเป็นอะไรอะไรไปเลยครับอไปแนะนําวิธีเข้ามารับอะไรโน่นเนี่ยมันมันมีศักดิ์ศรีเหนือกว่านี้หนึ่ง ถึงบางทีนั่งอยู่ท้ายแถวบางทีพัดพัดเปรี่ยนน ะ, ปะเปี่ยนหกเปลี่ยนเจ็บางทีนั่งนู่นนะไ อ, อ้หัวไอ้พระครูชั้นสูงๆนู่นนะครับปรเปลี่ยนเจ็ดนั่งหัวพระครูชั้นอะไรครับปรเปลี่ยนแปดนั่งหัวครูชั้นพิเศษด้วยบั้งครับถ้าถ้านั่งตามพัดนั่งตาพันเขาไม่ได้เอาบรรษากันเลย <c oughs> ผมไม่ชอบตรงนี้เลยพัดเคลิผมไม่สนใจเลยไม่ชอบเลยส <c oughs> ังฆราชองนี้เป็นองค์หมอก ฟันจริงเขาไม่ได้ออกกฎเกณฑ์ออกมาฟันจริงเวลางานหลวงเท่านั้นงานทิพ ร, ราชามีมาเทานาน่านั้นพระเลยนั่งตามลําดับพัดทิพ ร, ราชาสวายงานอื่นๆแล้วต้องตามอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ว่าต้องมาตามในราชวิธีต้องนั่งไว้นู่นอ้าองนี้อุปชาเราถึงเป็นพระครูชั้นตีเราเป็นประโยชนกา่าหลวงพ่อต้องขึ้นขงบนครับนี่ต้องอย่างนี้ครับต้องนั่งตามวินัยครับไม่ใช่ว่านั่งดํามพัดไม่ใช่อย่างนั้น แต่ก็แบกเป็นถึงทังฆราทําไมไม่ประกาศออกมาเลยเนาะเนาะน่าจะประกาศมารู้อยู่ว่าไม่ถูกรู้อยู่ว่าพระองค์นี้มาปฏิบัติตามราชพิธีไม่ได้แต่ทำไมไม่ห้ามไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไมติงกันหนนะฟันติงต้งติ้งออกมาสักหนึ่งฉบับสองฉบับนั่งสืบีบหรือออกเสีทางทีวีมีโอกาสซุบออกมาทางทีวีนะก็เอ่อที่กําลังมาพึประพฤติกันอยู่เรื่องนี้ยนะขอข อ, ขอกันทันทีแลเริ่มทําตามวินัยก็แล้วกันผมว่าแค่นี้ครับเรื่องหมดเลย ไม่ได้ราดพิธีเขาก็ทําตามเป็ไงแต่ที่ราดพิธีไม่ใช่บรรณาธินนการเคย ท, ำทำําเช่ไหมหลาปีทั้งปีบางองค์ตลอดชีวิตยังไม่เคยถือพัดเข้าลาดพิธีสักครั้งใช่ไหมครับไม่เคยไม่ถ้าถ้าถ้าพระราชาเสด็จอย่างเงี้ยเขาเรียกงานราดพิธีองค์กรมณีอ๋อไม่ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ถึงเป็นราดพิธีจริงๆแล้วต้องเคารพวินัยมากกว่ารครับ จริงๆแล้วจักรราศก็บอกควรเคารพวินัยมากกว่าแต่ท่านทำไมไม่แนะนำไม่ลในฐานะที่ควรแนะนำนปัจจุบันนี้พิธีของพระนะครับศาสนาพิธีจึงเป็นพิธีของของพระราชาไม่ใช่พิธีของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นทุกกฎเพราะไม่เอือเฟื้อวัดด้วยเป็นวัดจะเภทด้วยนะครับ ครับเห็นในที day, ่นี้เอาเห็นเห็นแล้วต้องต้องตามต้องบอกไม่ทันก็เป็นรติเขตไปถ้าไม่พยายามคือไม่บอกไม่บอกก็เป็นเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคือเป็นทุกกดด้วยถ้าว่าพยายามแล้วนะครับพยายามแต่ไม่สามารถไปทันนะครับไม่สามารถที่จะไปทันหรือเรียกเรียกแล้วแต่ท่านไม่ได้ยินนะครับเรียกแล้วแต่ท่านไม่ได้ยินอย่างนี้เป็นรัติเขตอย่างเดียวไม่เป็นทุกกดนะครับเพราะไม่เป็นทุกกดเพราะวัตเพศ ตรงนี้มีพระเถระท่านแสดงมตินะครับสังฆะสังฆะเสนาพยะสังฆะเสนาพยะเถระนะท่านกล่าวอย่างนี้ว่าการบอกในบอกในวิสัย เ, เดี้อท่านบอกกับบอกนั้นในวิสัยเท่านั้นบอกได้ไม่ใช่วิสัยบอกไม่ได้นะครับทีนี้ลองลองดูมติของนั่นว่าวิเยกิรานาโรโอเจนตัสะ รัติเฉโทโธเจวะวัตตาเพเททุกตางจะโหติท่านบอกว่าได้ยินว่าการไม่บอกในวิสัยนั้นเป็นทั้งรัติเฉทเป็นทั้งวัตถเพศทุกขโปรดเพราะวัตถเพศนะครับส่วนว่าการไม่บอกในอวิสัยคือในที่ที่บอกไม่ได้ไม่มีทั้งสองอย่างคือไม่เป็นรัติเฉทด้วยไม่เป็นรัตถะเพศวัตถเพศด้วยไม่เป็นทุกขโปรดเพราะไม่อื้อเฟื้อด้วยอันนี้เป็นมติของสังฆาเสนาพยาเถระนะครับของท่านถูกองค์อื่นค้านนะครับ มาที่นี้ถูกคานพระสวนว่าพระกรัฐกรวิกคติสาเถระนะกล่าวว่า <moving. S 1> การกําหนดได้ว่านี้เป็นพระนะเท่านั้นเป็นประมาณนะครับจะเป็นไอไอไอไอเอาวิสัยคือไม่สามารถจะบอกได้นั้นไม่ไม่ไม่ได้กําหนดนะกําหนดได้ว่านี้เป็นพระเท่านั้นเป็นประมาณนะไม่ได้กําหนดด้วยวิสัยหรือเอาวิสัยอย่างนั้นเพราะฉะนั้น เนี่ยนะเนี่ยนีดูจริงกันท่านบอกว่าการกาหนดด้วยว่านั่นเป็นพระเท่านั้นเป็นประมาณถ้าว่าอาวิสัยมีอยู่ถ้าการจะตัดสินกันด้วยอวิสัยมีอยู่เป็นทุกกฎเพราะวัตเพศก็ไม่มีนะครับมีไม่ได้เพราะนั้นมติของไม่สังฆาเสนาพะยเทระนั้นไม่ไม่ไม่ชอบนะท่านท่านค้านอย่างนี้ก็จะมีได้แต่รัติเขตดอย่างเดียวหรือนะท่านท่านค้านอย่างนี้ กระาวิกัตนั้นท่านบอกว่าเอาเอาการเห็นกับไอ้การกําหนดได้เท่านั้นเป็นประมาณตามพมาลีนะครับ อ, อย่างนี้นะครับมติแร ก, กําท่านบอกว่ามติที่หนึ่งของสังคับเสนาบยะเถระท่านบอกว่าการไม่บอกในวิจัยเป็นทั้งรัติเฉดเป็นทั้งวัตฏเภศนะครับเป็นสองอย่าง แต่การไม่บอกในเอาวิสัยคือบอกไม่ได้ในที่นี้หมายถึงไม่บอกในที่คือบอกไม่ได้บอกไม่ทันบอกตามไม่ทันอย่างนี้ไม่มีทั้งรัติเฉตไม่มีทั้งวัตถเภศไม่เป็นทั้งรัติเฉตไม่เป็นทั้งวัตถเพศนี่มติที่หนึ่งนะครับต่อไปมติที่สองนั่นคัดค้านกราวิกติสเถระท่านคัดค้านว่าการกําหนดว่าเป็นพระเท่านั้นเป็นประมาณนะครับเป็นพระเท่านั้นเป็นประมาณไม่ไม่ได้กําหนดด้วยวิสัยหรือว่าวิสัยนะครับในที่นี้ การกำหนดว่าเป็นพระเท่านั้นไม่เอเป็นประมาณนะครับ <c oughs> ถ้าถ้าไม่ไม่ไม่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะบอกได้นะครับ<อ>พันบอกว่าการกําหนดว่าเป็นพระเท่านั้นเป็นมานท้าไม่อยู่ในวิสัยที่จะบอกได้ <c oughs> ทุกกฎเพราะวัตถเพศไม่มีแต่รัติเขตยังมีอยู่นะครับเ <c oughs> พราะนั้นมันต้องเป็นอย่างหนึ่งมันไม่เป็นไม่ได้นะครับไม่เป็นทั้งสองอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้คือ ผ่านไปแล้วแต่ไม่สามารถตามทันได้จะบอกว่าอาวิสัยนะไปเรียกแล้วท่านไม่ได้ยินแล้วผ่านไปแล้วเรียกว่าอาวิสัยอยู่ในอาวิสัยบอกไม่ได้คือบอกไม่ทันท่านไม่ท่านไม่ได้ยินตามไม่ทนันแล้วจะบอกว่าราตีนั้นยังนับได้อยู่อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพียงแต่ไม่ต้องอาบัตรทุกกฎเท่านั้นแต่ราตีนั้นนับไม่ได้นะครับเข้าใจนะครับ มติที่หนึ่งบอกว่าถ้าในอวิสัยคือบอกไม่ทันบอกเรียกท่านไม่ได้ยินอะไรเงี้ไม่มีทั้งเอาราตีก็ไม่เสียทุกกฎก็ไม่ต้องมติที่หนึ่งมติที่สองบอกว่าถึงในอวิสัยบอกไม่ได้บอกไม่ทันท่านไม่ได้ยินอย่างนี้ไม่ต้องอาบัติทุกกฎเพราะวัฏเภศแต่ราตีนั้นนับไม่ได้ราตีเสียไปแล้วเหมือนกันนะครับถึงมีความพยายามจะบอกอยู่แต่ไม่ไม่ได้บอก ไม่ได้บอกตามไปท่านท่านเรียกท่านไม่ได้ยินแล้วก็บังเอิญว่าเราเราจําได้มารูปนี่แหละแต่ท่านอยู่นู่นครับเราดูว่าท่านต้องไปทีมวัดของท่านแน่นอนเราตามไปบอกเลยครับอ่าครบับอย่างนี้ไม่เอาก็ตามบอกแสดงว่าบอกได้บอกได้ครับบอกได้บอกได้เพราะฉะนั้นคําว่าเอาวิสัยวิจัยเอาวิสัยไม่เป็นกําหนดนะครับกรณีนี้แหละครับกรณีสมมุติว่า เราเข้าอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ไปยืนกันอยู่ฝั่งตรงมุมห้องท่านิสิตนะครับอ่าตอนนี้คนพระ ท, ที่ประพฤติวัดนี่ไม่เห็นหรอกแต่พระที่ยืนคุยด้วยกันเห็นนั่งรถไปโอ้นุ่นนุ่นพระแต่ว่าองค์นั้นไม่ได้เดี๋ยวมาดูหล้วตอนนี้องค์นี้ได้ยินว่าเออพระผ่านไปองค์ที่ประพฤติวัดจะจะต้องตามไปบอกในที่นี้ไม่มีบอกนะในที่นี้มีบอกอะไรว่าต้องเห็นไม่มีเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วที่ผ่านมาแล้ว อันนั้นทั้งทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีอันนั้นเอาในระยะใช่ไหมครับแต่นี่เห็นนี่ต้องคิดว่าน่าจะเป็นองค์ที่ที่ประพฤติวัดเห็นนะครับองค์ที่ประพฤติวัดเห็นเพราะไม่เหมือนกับที่ผ่านมาแล้วที่ผ่านมาแล้วที่เข้ามาในเขตก็ดีในอุปจาระอาวาสก็ดีใช่ไหมครับไม่เห็นเลยแต่เสียเพราะเข้ามาในเขตนะครับนี่นี่กำหนดไม่ได้กําหนดด้วยเขตแต่กําหนดโดยการเห็นเพราะฉะนั้นต้อง ในในที่นี้ไม่มีบ่งบอกนะครับว่าองค์อื่นเห็นบ่งบอกไว้เฉพาะองค์องค์ประพฤติวัดพิสูจผู้ประพฤติวัดเห็นนะครับไม่มีบ่งบอกว่าองค์อื่นเห็นแบบไม่เห็นแต่รู้ครับเพราะว่าได้ยินว่าเราบ้างนั่นนในที่นี้ใช้เห็นอย่างเดียวในที่นี้ใช้ทิศสว่างไว้ตัวเดียวไม่มีตัวอื่นไม่มีได้ยินไม่มีรู้หรือไม่รู้ใช้เห็นเลยนะครับใช้อาการเห็นเพราะไม่ได้ ก, กําหนดได้เขตแล้วทีนี้ไม่ได้กําหนดได้เขตถ้าเกิดอย่างนั้น มังคูนี้อ่าองค์หนึ่งอยู่ตรงนี้องค์หนึ่งโผลไปโน่นองค์ไม่ได้ประพฤติวัดเดินมาโอ้โหยผมไปเจอผ้ามายิงนี่ก็เสียเหมือนกันเพราะได้ยินใช่ไหมครับอย่างนี้ไม่ได้ในที่นี้เอาเห็นครับเอาเห็นเพราะฉะนั้นเห็นต้องผู้ประพฤติวัดเห็นไม่ใช่ผู้ไม่ประพฤติวัดเห็นใช่ไหมครับพบเห็นพบเห็นนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ไม่ไม่กําหนดด้วยอาการอาการอื่นของคนอื่นด้วยด้วยการเห็นของตัวเอง ของผู้ประพฤติวัดนะครับเพราะนี่ไม่ได้กําหนดด้วยเขตแล้วกาหนดด้วยการเห็นนะครับไม่มีเขตไม่มีเขตในที่นี้นะครับไม่ขัดกับอันแรกที่ว่ากําหนดด้วยเขตไม่ขัดเพราะอันแรกมีเขตกําหนดอันนั้นรู้ก็ต้องไม่รู้ก็เสียไม่รู้ก็เสียถ้าไม่บอกใช่ไหมครับแต่นี่นี่ไม่ไม่มีเขตกําหนดเอาระยะเกิดเพราะไม่รู้จะกำหนดเขตไงเกิดบางองศาสายตาสั้นกว่าแก่แก่บางองศาสายตาดีกว่าน่ะเพราะฉะนั้นใช้การเห็น นะครับไม่ได้กำหนดเขตรน อ, อย่างกันเพราะฉะนั้นมติหลังนี่ดีกว่านะครับมติหลังดีกว่าเพราะในบาลีไม่มีกาหนดด้วยด้วยด้วยวิสัยหรืออวิสัยนะครับเพราะนั้นถ้าในวิสัยไม่บอกในวิสัยไม่บอกเป็นทั้งอรติเฉดด้วยวัตถเพศด้วยในในวิสัยไม่อบอกก็ดีไปทั้งสองอย่างนะแต่ถ้าในอวิสัย ในอวิสัยไม่บอกในอวิสัยไม่บอกนี่คือบอกไม่ทันเป็นรัติเขตอย่างเดียวทุกกฎเพราะวัฏเภศไม่มีเพราะเธอพยายามแล้วเรียกแล้วอะไรแล้วแต่ถ้าในขณะเดียวกันไม่ได้พยายามไม่ได้เรียกไม่ได้พยายามติดตามไม่ได้อะไรอะไรในขณะที่เห็นแล้วก็ทั้งสองอย่างมีได้นะครับมีได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าพยายามแล้วก็ทุกกฎเพราะวัเภศหายไปเพราะเอื้อเฟื้อยู่แต่แต่ตามไม่ทันบอกไม่ได้เรียกไม่ได้ยินนะครับ ท่านบอกว่าปกติสมัยก่อนเราต้องนึกถึงสมัยก่อนเลยนะครับบางทีนึกถึงสมาพปัจจุบันแล้วมันมันไม่ค่อยตรงกันท่านบอกว่าควรบอกในวันอุโบสถเพราะอะไรเพราะพระรวมครับพระเดินทางจรจรจรมาพอท่านลเอามารวมกันเพื่อจะทําอุโบสถเรามีโอกาสกะบอกซะก่อนก็ได้หรือเมื่อท่านทําเสร็จเรามีโอกาสบอกเลยอย่าเพิ่งให้ท่านแยกกันออกไปมันลําบากต่อผู้บอกนะครับ ห่นไหนๆท่านมาแล้วท่านมาเองท่านมากันเองแล้วเราบอกเลยบอกเลยครับบอกเลยบอกในวันอุโบสถหรือในวันปรณน่นะครับเพื่อเพื่อสะดวกเพื่อเพื่ออะไรเพื่อการชำระอาคันตุกะให้หมดให้หายข้่องใจไปเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าถ้าถ้าไม่บอกในวันอุโบสถองคนู้นใหม่เวลาท่านมากันแล้วท่านไปก็เกิดความแพงใจตรงนี้เองค์นี้เราบอกหรือยังองค์นู้นเราบอกหรือยัง ไอองที่เราบอกแล้วก็มีใช่ไหมครับในวันอุโบสถที่ยังไม่บอกก็มีเกิดในที่ไม่ได้บอกมีอยู่สักองค์เราก็เกิดความแข็งใจเมื่อเมื่อพิสูจนพูดขึ้นอก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเพื่อเพื่ อ, เ พ, อเพื่อขจัดความแข็งใจตรงนี้ในวันอุโบสถบอกแล้วอีกครับบอกอีกในวันอุโบสถอาจจะมีอาคันุกะมาสักองคหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เรากําหนดไม่ได้ บ, บอกเลยครับอย่างนี้บอกเลยในวันอุโบสถในวันปรนนานะครับท่านแนะนํา ถ้าเป็นไข้ไม่สามารถไปไม่สามารถไปบอกได้ต้อ ง, งทรงธูดไปบอกนะครับทรงธูดในนี้ <ộc BER K 1> <c oughs> เอส่งธูดในที่นี้ท่งนเนนไปบอกก็ไม่ได้ทรงโยมไปบอกก็ไม่ได้อนุญาตสําบันแล้วกันไม่ได้นะครับทูดในที่นี้ต้องเป็นพระเท่านั้นนะครับต้องเป็นพระเท่านั้นเองส่งไปบอกเนี่ยต้องใช้พระอย่างเดียวทูดกายิงอย่างอื่นทูดอย่างอื่นใช้สมณีนก็ได้ใช้อะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ทูดในที่นี้ ในทนี้ต้องใช้พระได้อย่างเดียวนะครับให้พระได้อย่างเดียวหมดแล้วมั้งครับตรงนี้อ้าวนาตสองว่าด้วยว่าครับเนนไม่ใช่สมณะใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับกรรมนี้เลยมาเป็นคณะบุรากรรของกรรมนี้ไม่ได้แม้แต่พิษุณีก็ไม่ได้นะครับพิษุณีก็ไม่ได้ทํากันไม่ได้นะครับคนละอย่างกันเลย ตรงนี้ก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับอันนู้นแล้ครับเกี่ยวกับอาวาทีิเมมีพิกูคมีพิสูจอะไรตรงนั้นไม่อยากแล้วนะครับกําหนดได้ง่ายเวลาเราเราเราแต่ตรงนี้ไม่เคยมีปัญหาในปัจจุบันใช่ไหมครัไม่เคยมีอาวาทีิเมมีพระมีพระไม่มีพระอะไรอย่างนี้มีพระเป็นนานาั้นสองวัสมานนสองวัดอะไรตรงนี้ไม่เคยมีเขบอกว่าถ้าจะประพฤติปฏิวัติไม่ควรอยู่ในวัดที่ว่างเปล่าที่มมีพิสูุสักองคหนึ่งเนี่ยประพฤติไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ควรอยู่ในที่นั้น เพราะอยู่การอยูใ่ในที่นั้นนับราตีไม่ได้นับราตีไม่ได้ควรอยู่กับปกตศตาภิกษ<อ>ุนะครับควรอยู่กับสถานที่ที่มีประกตตภิกษุ<ส anse>แต่เมื่อเมื่อในที่นั้นสมมติมีประกตั ต, าตาอยู่แต่มีอันตรายมีอันตรายต้องไปที่อื่นถึงราตีจะนับไม่ได้ก็ควรจะไปคือมันขาดลาตีแต่ก็ควรจะไปครับเพราะนั้นเราไปก็ขาดลาตี แต่ก็งควรไปเพราะเพื่อให้พ้นอันตรายตรงนั้นนะครับเพื่อให้พ้นอันตรายสิบอย่างในอันตรายสัตว์ไล่สัตว์เลยอะไรอะไรนั่นนะครับอันตรายเหมือนกับ อ, อะไรปฏิโมกใช่ไหมครับอันตรายสิบนั้นควรไปถึงราตีจะนำไม่ได้ก็ไปครับเดินทางไปขาดราตีไปนะครับใช้ไม่ได้ก็ควรไปตรงนี้ท่านแนะนำ ไปแล้วจะไปทําวินัยกรรมคือจะไปบอกจะไปอะไรในในพวกนานาสังวาสไม่ได้นะครับต้องบอกบอกในที่เป็นสมานาสังวาสเท่านั้นหรือในประพฤติในที่เป็นสมานาสังวาสเท่านั้นนะครับตรงนี้ห้ามเลยนานาสังวาสนห้ามเด็ดขาดนานาสังวาสเช่นภิกษุถูกยกวัดก็นานาสังวาิใช่ไหมครับภิกษุต้องบาริชิกก็นาณาสังวาิถูกยกวัดที่ยังไม่ได้ใช่ต้องบาราชิกเพียงแต่สงยกว่าอย่าไปคบกับวงนี้นะช่วงนี้ถ้า เมื่อหลายเธอประพฤติชอบแล้วเข้ามากล่าวคําขอว่าเออบัดเวลานี้ผมเห็นแล้วครับอาบัตหรือผมทําคืนแล้วครับอาบัตผมสนัทาทิฐิลาวกแล้วครับอย่างนี้เมื่อทําอย่างนี้แล้วก็สวงสวดชักเข้าหมุ่ยก็เป็นอันเป็นสมาณาสังวาสเหมือนเดิมเพราะนั้นนาณาสังวาสในที่นี้นานาสังวาสในที่นี้มีทั้งมีทั้งออะไรอุกิตกะภิกษุคือที่ถูกยกวัดนี่ก็เป็นนานาสังวาสนะครับ นานาสังวาสแล้วก็พวกเนนพวกนอกจากพระทั้งหมดเป็นนานาสังวาสอีกนะครับที่ไม่ค้นไม่ใฉยพระเป็นเนนเป็นอะไรต้องปาราชิกไอ้พวกนี้เดรัจฉุญเดรัจฉิวพวกนี้เป็นนักบวชแต่เป็นนาณาสังวาสทั้งหมดนะครับไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถือว่ามีสังวาสเสมอกันทีนี้ว่าที่นี่เกิดที่นี่มีอันตรายแล้วจะไปที่อาจารย์บอกว่ามันอกีต้องไปที่อื่นใช่ไหมครับพอไปพอพอไปปุ๊บไปเจอพระอีกรูปนึง ท่านก็ประพฤติบริวารเหมือ น, นกันก็เราไปถึงพวกก็บอกกับท่านเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับชื่อว่าบอกแล้วเหมือนกันแต่ว่าบอกนั้นจะใช่ด้านไหนชื่อว่าบอกแต่แต่ลาตียังน้ำไม่ได้เหมือนเดิมอ๋อลาตียังน้ำครับแต่ชื่อว่าบอกแล้วการบอกนั้นไม่ได้เสียหายลงไปตรงนี้บอกกับผู้ประพฤติวัดด้วยกันกน็ไม่ได้เสียหายเพราะเราไม่รู้แต่ลาตีนั้นน้ำไม่ได้เหมือนเดิมแต่ แต่ก็ไม่ควรบอกกับผู้ที่แบบประพฤติวัดด้วยนะครับถือว่าเป็นครับสมมุติเอาๆยังเรายังไม่ได้ประพฤติอ่ะแต่เราต้องอาบัติปกปิดไว้คืนนึงแล้วสมมุติอย่างนั้นครับเดินเดินทางไปเอาไปเจอวัดวัดหนึ่งมีพระกําลังเข้าไปวัดอยู่เราก็ไปบอกกับองค์ที่เข้าไปวัดเพราะไม่มีองค์อื่นให้บอกสมมตินะเอากระตาตๆก็นอนหลับซะอะไรไม่เห็นไปเจอองค์นี้ก็เลยบอกบอก การบอกนั้นชื่อว่าอาบัตเราไม่ได้ปกปิดแล้วครับเพราะนั้นปิดไว้แค่คือเนียวกะวันที่วันนั้นเราบอกแล้วชื่อว่าไม่ปกปิดนะครับชื่อว่าไม่ปกปิดเป็นการบอกที่ใช้ได้แต่ไม่ควรบอกอีกถ้ายังมีองค์อื่นไม่ควรบอกแต่ที่บอกไปแล้วก็เป็นอันใช้ได้คือไม่ปกปิดแต่ไม่ควรบอกนะพระเจ้าบอกว่าไม่ควรบอกแต่ที่บอกไปแล้วอ่าสมมติว่าเราไม่รู้อย่างที่ว่าบอกไปแล้วแล้วถามว่าชื่อว่าปกปิดไหมบอกว่าเวลาตีต่อไปชื่อว่าไม่ปกปิด การบอกนั้นเป็นกานบอกแล้วแต่ไม่ควรอย่างนี้ไม่ควรนะครับเราไม่ได้อนุญาตอย่างนี้ไม่ควรนะครับคือที่สุนงค์ยกวัดเป็นนานาสังวาสครับแต่เมื่อไร <ot> ถ้าท่านประพืน้นดีกลับมาขอใหมพ่พระสงฆ์สวดอีกแทะขมุย <ot> เป็นสมานาสังวาสนะครับไม่ใช่นานาสังวาสที่คืออุคิดการพิทูลถูกยกวัดลแล้วเหมือนกับบาราชิกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพิท <ot> ูลผู้ต้องบาราชิกก็เป็นนานาสังวาสครับเป็นนานาสังวาส ครับยังเป็นนานาถึงพระพุทธถึงยังปฏิญาณตนว่าเป็นพระก็ชื่อว่านานาสังวาสครับในในที่นี้นะครับในที่นี้แต่ในขณะเดียวกันภิกษุผู้ต้องบารชิกแต่ยังยังสมาทานความยังปฏิญาณว่าเป็นพระอยู่แล้วรับเป็นอุปชาสมมตินะครับอ่าแล้วก็บวชรับเป็นอุปชาแล้วบวชบวชในที่ผู้ส่วดมันมั น, ม, นมันต่างหากไม่ใช่มีเจ้อุปชาส่วนใช่ไหมครับถามว่ากรรมนั้นสําเร็จไหมภิกษุผู้บวชหม่นั้นเป็นพระไหม เป็นครับเป็นเพราะกรรมวาจาไม่ได้สําเร็จด้วยอุปชาเพีงจะถามว่าเธอมีอุปชาไหมมีผมมีอุปชาแต่ถ้าถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าในในปัจจันชนบทอย่างนี้กี่องค์ครับบวชได้ห้าลูกภิกษุสงฆ์ห้าลูปจำนวนเต็มห้าลูกทั้งผู้สวดทั้งอะไรนะครับไม่นับผู้บวชห้าลูกสามารถเป็นทํากรรมวาจายาติเจดูกรรมวาจานี้ได้นะครับถ้าอุปชาเป็นองค์ที่ห้า คือนับทั้งอุปชาที่เป็นองค์กิจการเอ๊ะไม่ใช่ต้องบาราชิกแล้วปริญาณตนว่าเป็นพิสุถ้ามีองค์นั้นอยู่เป็นองค์ที่ห้าถามว่าใช้ได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะยังไม่ครบองค์สง์แต่ถ้าเกิดเป็นองค์ที่สิบองค์ที่ยี่สิบอะได้ไหมครับได้แต่พิกสุที่ทำกรรมนั้นต้องเอาบัตรนะครับได้เพราะฉะนั้นไม่อกระเทยก็ดีเป็นอุปชาอะไรอะไรแต่ถ้าครบองค์สงก์ก็องค์องค์งที่บวชใหม่เป็นพระนะครับแต่ถ้าไม่ครบ เอาองนี้เป็นอําจํานวนเต็มใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไไดนนที่เมืองไทยเราเราถืออุปชาเป็นใหญ่บางทีโจทย์ขายกันเลยโอ้ยไปบวชก็อุปชาเป็นบาราชิกท่านไม่สําเร็จเสียแล้วท่านไม่ไม่เป็นพระอะไรอะไรโจทย์กันเมื่อก่อนมหาพรสแกก็จะเข้าใจอย่างนี้ครับเพราะจริงแกเรียนวินัยมาก่อนผมแต่แกมันถึงจุดนี้คงไม่ทันสังเกตหรือไม่มีปัญหาเข้ามาก่อน ก็เลยไม่เคยทันทันสังเกตกาไปวิาพากษ์วิจารณ์กันใหญ่มาถามผมอยู่ที่เกาะด้วยกันนะยแล้วก็ถามถึงตรงนี้กันคือคือสนทนากันเรื่องวินัยวันุโบสถสนทนากนเรื่องวินัยพระใหม่ก็ถามขึ้นมาเรื่องอย่างนี้ว่าบวชในอุปชาที่เป็นประชิกและแต่ยังปฏิญาณต น, นจะเป็นพระไม้อะไรอะไรไหมหาพจน์ก็าหันมาถามผมพี่มีความเห็นว่างไงผมบอกเป็นถ้าองนั้นไม่ใช่จํานวนเต็มของสองศ์ คือมันเกินอยู่แล้วสงครบถึงไม่นับองค์นั้นก็ครบหมายความอย่างงั้นอย่างนี้สําเร็จกามาจารนั้นสําเร็จอ๋อหลวงพี่ทําไมเอาอย่างนี้เร า, เร า, เ า, เาค้นกันใหญ่เลยแต่นั้นค้นกันใหญ่ผมไม่มีหนังสือคนแต่ผมเรียนมาผมจํามาได้เพราะผมถามไว้ก่อนผมเคยสงสัยตอนเรียนใช่ไหมครับแล้วก็ถามไว้ก็เลยจําไม่น้อยที่แกไม่ได้ถามคนไม่ยอมมหาพจนไม่ยอมเดี๋ยวออกไปจากอุโพสถเดี๋ยวต้องลุยกันหน่อยละหลวงพี่มาวัดกันหน่อยละวัดแกคนเอี้ใช้ได้ ไม่เป็เพราะฉะนั้นเป็นองค์ที่ครบองค์สงต่างหากจึงจะใช้ไม่ได้เพราะกรรมนั้นเสียนะครับไปบริษัทสมบัติไม่ไม่บริบูรณ์ใช่หมหเสียไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งองค์หนึ่งองค์งอจครับแล้วก็ไม่ชื่อว่าอนุสมบัตอยู่ในหัตถบัติชื่อครับอนุสมบัติครับน่้จใช้ได้ใช้เจ้าก็ครบองค์สองอยู่ครับสงที่อยู่ในที่นั้นต้องอาบัติครับทั้งหมดทุกองค์ต้องอาบัติในขณะทํากรรมที่มีอนุปสมบัตเข้ามา คิดคำว่าเว้นต้องเว้นจากบุคคลต้องห้ามใช่ไหมครับอภิภั พ, พบุคคลทั้งหมดเว้นเว้นในที่นี้คือถ้าทาท่าผืนทําอย่างนี้ต้องอาบัติครับแต่ไม่ใช่ว่ากรรมวาจานั้นใช้ไม่ได้เลยแล้วในกรณีที่เรากำลังนั่งทำอยู่แล้วพวกญาติโยมที่เข้ามาบวชลูกบหลานนั่งอยู่ข้าในหาทบัตรครับครับต้องอาบัติครับแต่นี้าพระที่บวชจะเป็นพระไหครับเป็นเลยครับเป็นพระแต่ต้องอาบัติครับพระที่ที่นั้น ต้องอาบัติหมดเลยทุกรูปไม่ <พบ S 1> ต้องเฉพาะองรร์สวดผมยังค่อยใจว่าไม่เป็นเป็นครับเป็นเขาเพียงเนี่ยบอกเอาบุคลคลที่ควรเว้นเว้นหรือยังใช่ไหมครับเว้นหรือยังถ้าไม่เว้นนี่ทาไมเว้นนี่ต้องอาบัตินะครับต้องอาบัติแต่ในที่นี้ไอ้เออโยมกับกับกับพิกชูผู้เป็นบาราชิกกับแล้วปฏิญาณตนเป็นบาราชิกเอเป็นพระอยู่นี่ต่างกันนะครับไม่ไม่ใช่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ ถ้าถ้าเอาความรู้สึกของเราคนต้องวารชิกแล้วก็เป็นคนเอ๊พระต้องวาระชิกแล้วเป็นคนใช่ไหมครับเราเข้าใจแค่นี้แต่ในวินัยไม่ใช่แค่นั้นถ้าเราสอบสวนแล้วเขายังปฏิญาณตนยังยังปฏิญาณตนว่าเป็นภิ ก, ก, ก, กตุอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรได้เขาเรียกว่าอ่สมมุติอย่างนี้สมมุติอย่างนี้พิกตุเราสงสัยว่าท่านต้องวารชิกมีคนโจทาาก์วงกันมาสงกับพระวินัยทรสอบถาม ฝ่ายหนึ่งรับอีกฝ่ายหนึ่งไม่รับสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยรับครับพระนี่ไม่รับแต่แล้วก็เธอพระนี่ไม่เคยประพฤติแบบนี้มาก่อนเลยนะครับสมมติว่าครั้งนี้ครั้ง lên, แรกเลยมีการถูกโจท้์ครั้งแรกเลยเราตอบสวนแล้วผู้หญิงเนี่ยรับบอกเวลาบอกอะไรบอกความประพฤติรับแต่ผู้ชายคือพระไม่รับอย่างนี้สงจะตัดสินลงไปว่าเธอปาราชิกแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะครับพระวิเนัย์ทรอนจะตัดสินอย่างนี้ไม่ได้นะครับ เพาะเธอพึ่งทําครั้งแรกอย่างนี้เราไม่รู้ว่าทําจริงหรือเปล่าแต่ผู้หญิงรับอย่างนี้ในวินัยให้ตัดสินยังไงให้ตัดสินว่าพิกีตูองค์นี้จะบริสุทธิ์ก็ไม่ใช่ไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ใช่นะครับต้องตัดสินอย่างนี้ครับคือไม่รับรองความบริสุทธิ์ของเธอแล้วไม่รับรองความไม่บริสุทธิ์ด้วยววเป็นกลางกลางเพราะฉะนั้นพิกีตูผู้ผู้ได้ฟังการตัดสินแล้วก็เลือกเอาจะครบดีหรือไม่ครบดีอย่างนี้ครับแต่ถ้าสอบสวนแล้ว สอบสวนแ้วไม่ยอมรับแต่เธอเคยถูกโจทย์อย่างนี้ถูกเคยประพฤติอย่างนี้หลายครั้งครับตัดสินได้เลยครับตัดสินได้เลยว่าไม่บริสุทธิ์คือตัดสินได้ถึงจะปฏิญาณว่าบริสุทธิ์แต่ความประพฤติอย่างนี้มีมาหลายครั้งแล้วตัดสินได้ครับตัดสินได้ญาณครับคือมีปัญหาหนึ่งที่เสียงกันมากครับในตอนนี้นึ่งคือเกี่ยวกับว่าไอ้บวชนีบางทีนี้บางทีนี้ห้ารูปนี้ไม่ได้ มันต้องสิบรูปขึ้นไปเพราะเมืองอไทยไม่ใช่ประจัตนตชณบทบเป็นเป็นเพราะว่ายังหาพระไายง่ายอยู่เป็ น, นมมเป็นมัธยมชนบทอย่างในกรุงเทพอย่างเงี้ยน่าจะสิบรูปขึ้นไปไม่ไม่ใช่นอกจากชมพูนวินอกจากในในที่พุทธ้าตอนนั้นที่อะไรติดเหนือติดนั่นติดนู่นติดนี่ที่เขาบรรยายไว้นะครับในวินัยนั้นถ้านอกจากนั้นประจันตชนบทหมดนะครับใช่หมดใช่หมครับใช่หมดเลยครับแต่ทีนี้เขาบอกว่าอ่ชมนอกจากชมพูวทใช่ไครับ ไม่ใช่มันไม่<ร>เขาไม่เรียกกัานอก ช, ชมพูทวีปเก ท, ที่พระเจ้าตัดไว้อะครับที่กําหนดไว้มัธย ม, ม, ยมประเทศอ่าประเทศ ต, ต, ตรงกลางครับประเทศ ต, ตรงกลางอ่อมามัามาประเทศนะครับตรงกลางตรงกลางเขตแดนนั้นถ้านอกจากนั้นเราเป็ น, เ ป, นเป็นปจัจจนชาติชนบทหมดตรงตรงนี้นี่เพื่อนผมยังยังห้องใจถ้าอย่างนี้ ประเทศแอลกรุงเทพก็ดีหัดใหญ่ก็ดีก็เป็นมัธยมประเทศ<ช>แล้วเราเอาอ่ใก่้ชายชแดงเขเมรเป็นปจัจจนชนบทเข้าไปในเขเมรเป็นมัธยมประเทศไปอเมริกาตรงนี้มีพระครบเป็นมัธยมประเทศเลยออกไปอีกรัฐหนึ่งรัฐแคลิฟอร์เนียนี่ตรงมัธยมประเทศเพอมีตั้งสี่หสิวัดใช่ไหมเออพอเลยออกไปก็เป็นปจัจจนาชนบุเพราะนั้นเอาตรงไหนดีทีนี้ท่านเอาตรงที่ว่า ถ้าหาพระง่ายนี่นะครับเป็นมัธยมประเทศหมดเอาเอาเอามาจากไหนนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันพุทธที่มาแต่ก็แย่งกันนะครับพยายามจะแยกเอที่จริงมันไม่น่าจะใช่ยัยงนแย่งกันนะครับถ้ามีที่ไหนที่พระเจ้าเคยตรัสว่าในที่ที่มีพระมากเป็นมัธยมประเทศไม่มีใช่ป่ะมีแต่บอกอาทิตย์นี้ติดที่นี่ทิตนี้ติดที่นี่ทินี้ติดที่นี่ทิตนี้ติดที่นี่บอกแค่นั้นเอง ไม่ใช่ว่ามัธยมประเทศจะหาพังง่ายตลอดไปใช่ไ่าครับไม่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นน้อยจะหาพังง่ายตลอดไปทําไมทำไมไม่นึกถึงเหตุก่อนว่าทําไมพุทธเจ้าอนุ ญ, ญาตเราปั จ, จันทชนบทอนุ ญ, ญาตให้ฮาลูกออ่อ่าาเพื่อต้องการให้สาวกเดินทางไปแล้วก็เผยแพร่ศาสนานได้โดยสะดวกใช่ไ่าครับ เพื่อเพื่อให้ประสงค์นี่เดินเดินทางถาวพวกนี้เดินทางไปไม่ใช่เพื่อเผยแพผ่ศาสนาได้โดยหาหาบริวารได้ง่ายๆใช่ไหมครับหาบริวารได้ง่ายๆคือเพื่อประโยชน์ตรงนี้เองอ้าวครับหาทําัยชิ้นหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าไอ้เราต้องนึกถึงการบทสมัยก่อนกับปัจจุบันมันต่างกันไอ้ปัจจุบันนี้เรามาคิดว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันง่าย